ท่านสาธนรุชนบ ร, บริษัททั้งหลายเป็นว่ามาต่อจากวันก่อนวันก่อนมาจบลงตอนที่มีความรู้สึกตามคำสั่งขณะผอปานว่าท่านบอกว่าเวลาจะเรียนกับท่านต้องเรียนอย่างคนโง่นี่อธารัชชีเขาฟังตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาคงไม่ชอบใจ แต่อย่าลืมความหมายทั้งว่าคำว่างโง่ก็คือว่าถ้าฉันสอนแบบไหนแล้วก็ให้ทำแบบไหนจะต้องทำแล้วก็ต้องคิดในขอบเขตเท่านั้นการเรียนต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันตอนนี้ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าวันที่จะทรงบรรลุอริเิกสัมมาสัมโพธิญาณ พระองค์แสวงหาพระโพธิญาณมาตัหกปีไม่มีผลแต่วันสุดท้ายองค์สมเด็จพระทสพลุนทรงตัดสินพระทัยว่าถ้าเรายังไม่ได้บรรลุอบิเศษสมาสมพุธิญาณเพียงใดเราจะนั่งตรงนี้แล้วก็ไม่ยอมลุกเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามที ชีวิตติทรียจะตัดสายก็ตามถ้าไม่ได้มันลุไม่ลุกยอมันพังตรงเนี้ยนี่เป็นอันว่าปฏิัทาการปฏิบัติที่จะได้ดีเขาทํากันแบบนี้หรือว่ามันเป็นมีชาของพระพุทธเจ้าที่ได้มาท่านได้มาด้วยจริยาแบบไหนเราก็ต้องใช้กําลังใจแบบนั้นแล้วก็ทําแบบดีกับท่าน เหมือนกับอาจารย์ผู้กินเหล้าเขากินเหล้าแบบไหนเราอยากจะเมาก็กินเหล้าตามเขาอาจารย์ที่เป็นหัวขโมยเขาก็มยแบบไหนเราอยากจะเป็นขโมยก็ต้องขโมยแบบเดียวกับเขาและอาจารย์ที่ไปอารัชีถ้าเราอยากจะไปอรัชีเราก็ดูปฏิปทาก็อารชชีที่ไม่มีความดีไม่ไอายจะความชั่ว ทำตัวเป็นศัตรูคนชาติาศาสนาพระมหากษาัตริย์บวงชนชาวไทยถ้าเราอยากจะไปอารัก c กับเขาก็ต้องทำแบบเขาถ้าเราอยากจะดีอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องเอาดีตามท่านจะปฏิบัติตามท่านเป็นนั้นว่าในเมื่อท่านาชีวิตเป็นเดิมพันคืนนั้นไม่ทันตลอดคืนท่านก็ได้รบรรลุอวิเศษสัมมาสมาัมพุทฺธญาณนี่หลวงพ่อปานได้ก็บอกว่าต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนกัน เราจะยอมตายดีกว่าปฏิบัติไม่ได้ผลหรือว่ายอมตายดีกว่าฝืนคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เห็นไห ม, ไหมนะี่จาไว้นะอัมบดารชีทั้งหลายนะ่ออากลัวจาย์เขาจะสอนมาแบบนั้นอยากจะรู้ว่าใครเป็นอาจารย์เขาเขาบวชเข้ามาแล้วก็ถือว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่อาจารย์เขาก็มีอาจารย์ดีเอ้า เอาเวจีจะได้เพิ่มจำนวนคนไม่งั้นมันจะขาดอัตราไปต่อกไปจากวันก่อนวันก่อนจบลงตรงนั้นนี่มาตอนนี้มาฟังท่านก็เต็มใจรับเต็มใจรับกับท่านเพราะว่าไอ้เรื่องการรับคำสั่งและรักษาคำสั่งอันนี้มันเป็นปกติมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่กับยายนี่ท่านมีกระเบี่ยาสิ์คือไม่เร็ว แต่ว่าฝ่าฝืนมาอะไรก็โดนกบิยาสิตจาัด ก, การทันทีเป็นว่าพอรับคำแนะนำจากหลวงพ่อคิดว่าเออไม่หนักใจเรื่องนี้เรื่องเล็กอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านแม่ท่านยายที่ท่านฝึกให้รู้จักเป็นคนมีระเบียบวินัยมาตั้งแต่เล็กตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า ถ้หาหักว่าไม่อย่างนั้นแล้วก็ความหนักใจมันจะเกิดขึ้นเป็นนั้นว่าคุยกันต่อไปอ่าตั้งสือตั้งตอนไหนเมื่อฟังท่านแ้วก็ไม่มีอะไรหนักใจเลยได้ทำมาตั้งแต่รู้ภาษาคนนสือว่างั้นนะพอรู้ภาษาคนแม่ก็ยายก็ใช้กับบียยาสิทธ์เป็นประจำไม่เคยขัดคำสั่งที่ประกอบพปด้วยเหตุผลอย่าลืมนะ อย่าลืมนะเป็นเด็กอาศัยเหตุอาศัยผลเวลานี้เป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ก็ยังอาศัยเหตุอาศัยผลการที่ไม่มีเหตุไม่มีผลของคนนีหอม้ากาสาวพัดซึ่งทกากรรมมาใช้เวลาสี่สิบปีเสร็จนี่เรานั่งดูคอยดูว่าเมื่อไรเขาจะดีแต่ได้ว่าทาสิ่งเงินเป็นร้อยร อ, อยล้านความดีสร้างคนให้มีความเข้าใจ ให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมตั้งอยู่ในศีลห้าศีลแปดเจริญสมถาวิปัสนาทำใจให้ปราศจากความชั่วมากขึ้นแต่แต่ว่าเจ้าคนที่ไม่มีเหตุผลมันเคยมารุกรานตอนนี้ไปขอประกาศว่าอย่าเสือกเข้ามานะจะไม่ให้เกีย่ยจะใครเรื่องการปูพรมให้เป็นพิเศษจะไม่มีในที่นี้ ถ้าต้องการยธิยว่าเจ้านีเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคารพในพุทธศาสนาติดอยู่ในโลกธรรมเพปะนัันว่าประเพณีเราก็ไม่เคยขัดเรารู้ตั้งแต่รู้ภาษาคนไม่เคยขัดคำสั่งที่ประกอบด้วยเหตุผลนี่เหตุผลนะแต่ถ้าว่าคนที่ไรเหตุไรผลถ้าสั่งงานก็มักจะพบสอกลับที่คาดไม่ถึงทุกรยายี่ตอนนี้ทำงานจนไม่รู้ จนเป็นที่รู้จักกันในวงงานที่ทําเขาก็เลยหาว่าฉันบ้าบ้าเนี่ยตอนนั้นเขาหาว่าฉันบ้าเขาบอกไอ้โต๊ะคนบ้าเนี่ยใครจะ ย, ย่องเข้าไปนะไอ้โต๊ะบ้าบ้านี่ใครจะเข้าไปก้าวไกลแต่คืนสั่งนอกเหนืออำนาจเมื่อไรเป็นเจอดีทันทีนั่นก็คือชักปืนและยิงแม่มเลย เอาซะหลายๆมันบอกว่ามันเป็นนายแต่มันเมามาสั่งงานสั่งงานนอกอำนาจสิ่งที่เราจะต้องการนั่นก็คือที่จะโต้ตอบไม่ใช่ปากใช้ปืนชักปืนมาไล่ยิงเราเฉยๆเป็นนั้ว่าเขาบอกว่าปจะไปยุ่งมาไอ้บ้านะมันไล่ยิงง่ายๆแต่ไม่คเคยชักปืนนั่นไม่ทันยิง พอไม่ทันยิงเจ้านายก็ถอดความเป็นนายออกกลายเป็นขี้ข่าถูกไล่ตะเบิดเปิดเปิง เ, เ, เข้าห้องเป็นไเข้าปิดประตูลงกรอนนั้นเล่นซะหลายหายไอ้นายอย่างนี้มันจะเป็นนายคนหนึ่งนายหมายัางเป็นนายไม่ได้นะมันไม่เคารพในระเบียบวินัยหมาไม่เคารพในระเบียบวินัยเป็นเขาบอกว่าใครจะเข้าไปนะจะเข้าไปยุ่งไอ้คนบ้าความจริงเขาหาว่าฉันบ้า นั่นก็เพื่อนฉันก็บ้าด้วยก็เพราะฉันบ้าแบบมีระเบียบวินัยก็เลยสบายใจไม่มีใคร ก, กล้าพายุ่งเข้ามาแล้วก็กลางมีนายดูนี่ระเบียบวินัยไป็นนี่เพื่อนเอ๋ยแต่แกขืนทําแบบนี้ฉันต้องมีความผิดเพราะขัดคำอาเพราะว่าระเมิดวินัยเพราะแกสัง่งฉันก็ต้องถูกออกและติดตารางฉะนั้นก่อนที่ฉันจะออกก่อนในเช่นที่ตารางแกก็ต้องตายก่อน การติดตาลถูกออกเพราะการฆ่าแก่ตายมีศักิ์ชีกว่าการละเมิดระเบียบวิ น, นัยนี่ความจำไม่นะอารัชีทั้งหลายจำไว้เรานิ่งให้ฟังดูทัานมาสี่สิบปีเสรต่อ น, นี้ไปเราจะไม่นิ่งและเราจะสู้ทันไม่นะวพวกเราบ้าฝ่าฝืนระเบียบวินัยไม่เป็นนะไม่กล้ายุ่งไอ้พวกบ้าและฝ่าฝืนระเบียบวินัยก็เลยไม่กล้ามา ยังมียศจะไหนก็ตามถ้าจะมาเขาก็มาดีอ๋อคำสั่งตามระเบียบวินัยดีถ้าออกคำสั่งมาตามระเบียบวินัยรับรองถ้าเพื่อนทำงานสามวันเราพวกเราเหนึ่งวันเสร็จงานมากหนึ่งวันทำมันแค่ไม่ถึงเที่ยงเสร็จเสร็จแล้วก็นอนเป่าคลุยร้องเพลงสงบายล้วไม่อู้งาน แต่เมื่อฉันมีรวมบ้าๆบ้าระเบียดอยู่แล้วนี่นะพอท่านบอกอย่างนั้นจะไม่ีอะไรเป็นเครื่องหนักใจทุกคนยอมรับอย่างไม่มีอะไรหนักใจเลยเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆหลวงพ่อปานท่านเห็นนะท่านก็ ย, ยิ้มแต่ท่านก็นบอกว่าพวกเธอเนี่ยมันเข้มแข็งมากท่าคนควรจะบอกว่าพวกเธอนี่บ้ามากไม่ยักบอกอย่างนั้นหลวงพ่อแปลกจริงๆ พระบอกเธอเนี่มันเรื่องมันเข้มแข็งมากไอ้เรื่องจะลงไปในเขตดาโลกจะขึ้นไปสวรรค์จะขึ้นไปพรมโลกเธอจะปฏิบัติกับฉันได้ไม่เกินสามเดือนเป็นอย่างช้าโอ้โหคำนี้เองอยากจะโดดตึกตายเสด็ยดีใจนะไม่จะเสียใจไม่เกินสามเดือนเธอไปได้ไม่ช้าไม่เกินสามเดือนอย่างช้าสามเดือนได้สบายๆไหมตอนนี้มันปลื้มใจ ลืมเลยลืมนึกทั้งอินหนูทั้งหลายหน้าตาสวยๆลืมหมดเขาใหญ่บ่อยพอเห็นนั่งฟ้ากระโดมมันเจ๋วคนดีสวยที่สุดแต่งตัวสวยที่สุดหน้าตาสวยที่สุดผ่องใสที่สุดนั่งใกล้ลูโผล่ผางแม่นึกว่าคนนี้เป็นใครถ้าไปเป็นเทวินดาได้แม่น่าก็ยังต้องขอแต่งงาน อตอนหลังมาลูกเข้าจะน่นได้แม่อย่าถูกตบตายสิท่านนั่นคือท่านอดีต ท, ท่านเป็นแม่ม่ท่านั่นได้มาลูกโหลูกหายอย่างแม่เป็นนั้นว่าพวกเราทราบนะท่านบอกว่าท่านบอกกับพวกเราพวกเราก็ทราบท่านเมื่อไม่ใช่ทราบาเมื่อท่านพูดแบบนั้นก็ดีใจ ดีใจต่างคนต่้งกราบท่านและขอเรียนทันทีจะเอาเดี๋ยวนั้นนะจะเอาเดี๋ยวนั้นเลยแต่ก็บอกว่านี่ลูกกูหลานกูเอ้ยเองนั่นสามสี่คนนี่ฮะสี่คนนี้กันเองได้เรียนได้นะลูกนะไอเรื่องเรียนมันขอไม่ยากนะรับรองพราะลูกทำได้แม้กำลังใจชื่นบัณฑินพูดแล้วทัากรอยยิ้มเสียงท่านเพราะมาก แต่เสียงไม่บ้าบ้าบบมาธรรมะธรรมาความจริงมาก่อนก็เสียงไม่บ้านนะแตงแต่ถูกไอพวกอรชีของมเหงนี่ชัดจะต้องบ้าซะแล้วเมื่อก่อนมันบ้ามาทีมันบ้าน้อยตอนนี้ขอบ้าให้มันเต็มตัวมันจะตายแล้วนี่จะตายเพื่อจะบ้าเพื่อทรงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ทรงอยู่ แต่ว่าจะไหวหรือไม่ไหวก็สุดแล้วแต่วศาสนาบา ร, รมีของคนชาวไทยว่าชาวไทยจะรักความเป็นไทยหรือรักความเป็นทาตุถ้ารักความเป็นธาตก็ครบกับไอ้ตัวจังไรอรารัชีทั้งหลายแล้วนั้นก็แล้วกันไม่ชา้าแล้เพื่อนคือไอ้ดับแง่ทั้งหลายมันก็ข้ามมาเป็นเจ้าหัวใจของท่านบ้านของท่านที่มีอยู่มันจะไม่มีทางจะได้อยู่ อยู่ในดูในลาวในเขมรเขาเข้ามาเขาก็ขึ้นบ้านไล่ย่ของบ้านลงชอบใจไม่ละเจ้าพวกอรชีทั้งหลายเนี่ยมันได้รับค่าจ้างดังวันมาจากใต้โเนี้ได้เงินมันเบาเงิ น, มนเมาเงินแล้วก็บอกว่าใช้อำนาจมันมาอมนาจจะลืมอรารชีคือใครไม่ได้บอกชื่อถ้าใครโผล่หน้าเขามาใครค้างคือไอ้คนนั้นเป็นอรชี เป็นคนทำลายชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์ให้พินาศไปเอาคุยกันต่อไปวันนี้เราอ่านหนังสือแล้วไม่ได้สอนธรรมะแต่ว่าถึงแม า, าจะสอนธรรมะสอนในความเกิด ค, ความสามัคคีกันเนี่ยมันจะผิดไหมแม้ว่าจะพูดหนักไปมันต้องพูดตามอธิยาศัยของคนคนมันมีนิสัยอยู่สองอย่างคือหยาบกับละเอียด เวลานี้คนที่มีนิสัยละเอียดก็จงอย่าฟังเพราะว่าจะพูดกับคนที่มีนิสัยหยาบที่มันทําลายชาติศาสนาพระม ห, หากษัตริย์กับชนชาวไทยคุยกันต่อไปว่าตั้งแต่ผมยังเยาว์เอาหนี้ไม่เยาวแต่แต่ว่าท่านบอกว่านี่ไอ้หนูลูกลูกกูหลานกูเอ้ยไม่เองสามสี่คนนี่ดีจริงๆนะลูกนะ มีความเข้มแข็งไหมฮะพอยอเข้าเรายิ้มยิ้มไอ้คนมันก็บายยอเป็นของธรรมดามาได้ลรวยแต่ว่าลูกเรียนนี่นะมันเรียนได้แน่พ่อรับรองว่าลูกสี่คนเนี่ยไม่เกินสามเดือนนะลูกนะสามเดือนเนี่ยมันเป็นอย่างช้านะลูกนะอย่างช้าน่ะสามเดือนถ้าถึงสามเดือนถือว่าเธอเรียนช้าที่สุด แต่แค่ว่าลูกเดี๋ยวพ่อจะพูดให้ฟังแต่ลูกนะผมมันยังยาวอยูน่นะลูกนะไอ้ผมยาวนี่มันเรียนไม่ได้เออเพราะอนะไรผมมีสภาพเหมือนเขานะเออแปลกจรินะแต่นนะว่าผมนะี่มันมีสภาพเหมือนเขาเธอมีสภาพเหมือนกระทิงเปลี่ยวอ๋อเหมือนเขามือนควายแน่นะ่ท่านมายักบอกนะ แล้นบอกว่าไอ้ผมเนี่ยมือนเหมือนกับเขาก็ทิ้งเธอมีสภาพเหมือนกับทิงเปลี่ยวมาเนี่ท่านเลี่ยงไปนิดนะท่านบอกไอ้ผมนี่มันมีสภาพเหมือนเขาเธอมีสภาพมันควายบ้ามันทีนี้ถูกไหมท่านเลี่ยงไปสักนิดไม่ตรงเนละต่อท่ามันตรงเมื่อก็ทิงเปลี่ยวตัวเมามันมีอนุภาพมากยังมีเขาอยู่แน่ ทำกรรมาฐานเอาดีไม่เอาดีได้ยากเอาเถอะสิไหมแม้ท่านไปบอกไอ้ควายบ้าตัวเมามันยังมีเขาอยู่ทำไมก็ธรรมาฐานเอาดีได้ยากมันทำไมยั ก, กว่าอย่างนั้นไหมทวาจชาท่านสุภาพขอหลวงพ่อท่านสุภาพมากท่านไม่สุภาระกิกะอย่างผู้เผยแต่อันี่มันจําเป็น่ะเมื่อก่อนนี้ก็สุภาพแต่เดี๋ยวนี้มันสุภาพไม่ไหวซะแล้ว มันกระทบกระทั่งในรายการทั้งปวงจะไม่ใช่โกรธนเรื่องส่วนตัวไม่โกรธรับรองถูกเขาดา่าไอ้บ้าเนี่ยมันดา่ามาท่านอาศัไม่รู้กี่สิบฉบับขี้เกียจตอบมันเฉยๆไว้เผลสุดก็บอกว่าราคาญมาบอกดิเธอยังเสพกรรมอยู่เธอจะมารู้เรื่องของพระดียังไงไอน้นนท์มันอยู่ที่โน่นอําเภอฝางจังหวัดชหมั ต่อมามันไม่พอใจเลยมันเขียนด่ามันยังสีคนพ้นโลกแล้วก็ช่างมันไปไรถ้ามันด่าเรามันก็ไม่ถูกเราเราไม่ได้รับแต่ว่าจะไดปด่าพระพุทธเจ้าพนนะถ้าด่าพระพุทธเจ้าเข้าเมื่อไรก็เมื่อนั้นนะ่ะไม่ช้าเราสิ้นลมปราณตายหาเองไอคนประเภทนี้ตายไปเยอะแล้วอย่าจะรู้ว่าทำไมยังตายมันไม่อยากคนเกแก่เจ็บตายตายไปเอง ตายตายหรือไม่ตายคนที่มีความประมาทในความดีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าปปมาโทมจุโนะทังขามประคนขพนที่ประมาทก็เหมือนกับคนตายแล้วคือตายจากความดีวันเชียเวจีมหานุเครามีจะไปโต้ไปตอบมันเลยมีคนหลายท่านส่งหนังสือได้บ้าที่เขียนมาบอกก็โตตอบเขบ้อางจะไปตอบมันมันบ้า ไอเราบ้าขนาดนี้นะมันยิ่งบ้ายิ่งกว่าเรานี่มันไปตอบไม่ได้เราจะเพิ่มบ้ามากขึ้นนะพอพอพอไม่ต้องไปโต้ตอครับไม่ใช่มันตายดูต่อไปวาระของฉันมันศักดิ์สิทธิ์ไอคนนี้แช่งให้ตายหมดทั้งโลกก็ได้นับตั้งแต่วันเกิดมาจะต้องแช่งไว้ทุกคนมาจงมีอายุอย่าเกินสองร้อยปีรับรองวาระนี้ศักดิ์สิทธิ์ ไอ้คันไม่ใครอยู่เกินสองรอปีเราก็สวยมันมีที่ไหนไม่มีมตายมันเองสบายสบายเอาคุยกันต่อไปว่าไงลืมฉันแล้วทำวไงแต่บอกว่าไอ้คนที่มีเขาก็ทิ้งเปลี่ยวที่มีเขามันเจริญกรรมฐานเอาได้ยากแล้วก็ภาระของเธอก็มากเธอจะต้องตัดชี่ก่อนคืนหนึ่ง โกนผมเอานนหนาแน่เอาเข้อแล้วสิตอนนี้โดนเขาแบบท่านพุทธโคสาจารย์โพรเจนาในพิสุทธิมัติพระอรหันต์ท่านไปทรมานวั น, นิสุดแค่ท่านอยากจะเรียนต่อถ้าบอกเรียนได้แต่ต้องบวชเอาเข้อแล้วนี่โดนเหมือนกันตอนนั้นไม่อยากรู้ฮะเออตกลงฟังกันต่อไปบอกเออหนังสือเล่มนี้ถ้าเขียนใหม่ก็สามเล่ม ย้อนนิดว่าเออต้องตัดเขาเสียก่อนคือโกนผมแม่ท่านดีว่าท่านบอกว่าตัดเขามันสูงแต่บอกอย่าตัดเขี้ยวเสียก่อนว่าไอหมานเท่าเก่งกัดเก่งแบบเนี้ยมีเขี้ยวแล้วมันยุ่งไหมเออทำไมยักว่าอย่างนั้นย่อยอย่างนั้นก็ถูกว่าเป็นงัวนี่งัวมันไม่มีเสียงโฮ่อดมันแล้วว่าเป็นควายควา ย, วายมันก็จะเบิ่งเบิงลอง ไ้ความจริงสภาพของเรามาเป็นหมาเนี่ยท่านพูดผิดนะแต่ว่าท่านคุณอย่ากเกรงใจท่านสุภาพหลวงพ่อท่านสุภาพมากก็เธอต้องไตกเขาที่ก่อนคือโกนผมโกนผมแล้วเข้าวัดบวชเป็นพระในท่าจะเรียนนะแมมเหมาะจริงๆเออเอาตอนนั้นมีเง่งเงินเขายนิดเอ้ามีเงินเดือนร้อยสิบบาทเอเอาใช้ได้เง่งอะไรก็หล่ะ นี่อะไรก็แล้วกันเดิมร้อยสิบบาทแล้วเมื่อบวชแล้วไม่เกินสามเดือนฉันรับรองมาเธอสี่คนไปเที่ยวสวรรค์ น, นี่ตามสบายๆและก็ลงนรกเอ๊ถ้าลงนรกจะอยู่เลยแย่ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวพรหมโลกก็ได้แบบสบายสบาๆนะอรชีเอ๋ยอรชีเอ๋ยที่มีความรู้ไปได้ไหมหนูเวลานี้เด็กอนุบาลก็ไปได้แล้วนะ เด็กพัวน้อบันผู้หญิงผู้ชายคนแก่คนเฒ่าโพอได้ปัญญาก็เป็นด็อกเตอร์เข้าไปกันได้แล้วนะไอ้หนูที่สอนเขาเปล่าเป่าเปล่าไปได้หรือเปล่าไอ้หนูรู้สึกตัวใช่ไหมนะวังว่างจะให้เด็กไปสอนเป็นนนั้ว่าเมื่อรับคําสั่งคณะกนแข่ก็ยิ้มสดชื่นไปตามๆกันรับรองท่านว่าจะบทแล้วก็จะยอมบท เรื่องอาชีพไม่มีอะไรความจริงอายุยี่สิบปีกว่ามีเงินเดือนร้อยร้อยสิบบาทเรื่องแบบประเภทไหนไม่ต้องพูดกันเป็นนั้นว่ามันกำลังโก้แต่ตอนนั้นเร่งความโก้ไม่มีไม่ต้องการต้องการอย่างเดียวคืออยายจะเจอนางฟ้าสักหน่อย แอยากจะได้ผลตามที่ต้องการเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์เที่ยวพรหมโลกมันโก้พระท่านเทศให้ฟังนะท่านไปไม่ได้แนละ้วจะไปมันได้แล่วไม่จำเป็นจะต้องอาศอ า, าชีพเดิมถือไม่ใช่งานอาชีพ ไ, ไม่แปลกให้เงินเดือนร้อยสิบาทเรื่องเล็กเพรว่าถ้าไม่ทำงานเงินเดือนเราก็ไม่กินก็ชาวไรช่ชาวน า, นานเขาไม่อดตาย ก็คิดในใจว่าถ้าเราสึกอาชีพเก่าเขาไม่เราทำล้วก็ทำสวนกินตามเดิมมีทั้งสวนทั้งนาไม่เห็นจะแปลกกต่คนที่เราเกิดไปที่เราเรียนไปได้ไปทางานได้ไอ้เงินในสวนเงินในนาแต่ในเมื่อเราสึกออกมาแล้วอาชีพเดิมเขาไม่ทำแล้วก็เอาไอ้เงินเก่าสมบัติเก่าของเราใช้ตามเดิม ไอ้ทเงินเดือนนี่มันปีสองสามปีเท่านั้นใช่ไหมของใหม่ๆเรื่องเล็กคุยกันต่อไปก็คุยที่ดินของเรามีามีสวนสวนของยายสวนอ่าสวนอ่าะไรเ น, นที่ดินก็ที่ดินก็มีสวนของยายก็ไม่มีอะไรน่าวิตกเป็นว่าเราเป็ว่าเรากับท่าน รับรองว่าจะบวชแน่นอนนะเรารับรองกับท่านว่าจะบวชแน่นอนนะตอนป่วยในยเข็งสืบไม่ขาดไปเยอะตอนเดือนกระกฎาคมพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบเป็นเดือนบวชไม่ใช่นะ่ะความจริงบวชก่อนนี่เผลอไปนะเนี่ยเผลอไปนะมันต้องบวชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเท่าไหร่กันมั อันนี้ตอนนั้นป่วยจำอะไรไม่ได้เขาทางมันจำปสก็ไม่ได้บวชเดือนที่ตกลงกันเป็นเดือนเมษายนสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอวาไปตามซื้อ น, นักอนึกม่ออกเดตอนนั้นมันป่วยก็ว่าสงไปอาสั่งเถอะตกลงกันแล้วว่าท่านแจกเมื่อพอตกลงว่าจะบวชนะเริ่มตกลงจะบวชท่านก็แจกวิสุทธิมัตตเอาอนว่า แจกวีสุทธิมัสสมาธินิเทศคนละเล่มเหมือนกับท่านเตรียมไปเลยฮะนี่เหมือนกับท่านเตรียมไปให้เลยเอางัดมันเลยมีเดียวนั้นไม่ได้ไปซื้อเอาครบสี่เล่มใครอ่านให้เข้าใจแตบอกจงอ่านเดือนนี้ให้เข้าใจเดือนมิถุ น, นาเนี่ท่านให้อตอนนั้นเป็นเดือนเมษาแต่บอกพอเดือนมิถุ น, นาไปซักซ้อมความเข้าใจกับท่านทีวัด เมื่อท่านสั่งแล้วก็เวลาว่าเวลาใกล้ทิศสี่นอถ้าเวลาที่ไปชมกลับพูาใช้ก็กลับนับจนแต่รับหนังสือวิสุทธิมากมาก็พยายามอ่านในหนังสือนี้ต้องพยายามอ่านจริงๆอ่านรู้เรืองยากมากแท้ภาษาฉันไม่ภาษาพระฉันก็นไม่เข้าใจมา ก, ก่อนและก็เลยแถมเกลียดพระที่บทแล้วชอบอดรู้อดวิเศษ แต่เทศสอนชาวบ้านเรื่องบุญเรื่องเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องนรกแต่ว่าตัวท่านเองเมามันดูไม่ได้เลยแล้วก็เป็นพันแล้วก็ยังบ้านลาบอยากร่ํารวยอยากสวยงามอยากมียศอยากให้ชาวบ้านขเขาชมเมื่อเทศแลธถรมวสวรรค์นรกท่านไปเห็นหรือเปล่าแต่เกิดตอบไม่เห็น ไม่เคยทําให้เห็นตามที่เทศเนะี่ยที่เทศสอนจำบ้านแต่ว่าเที่ยวสอนคนอื่นเขาให้เราเห็นมาเองก็ดันมาหาว่าเราโกหกพกลมบา้บาๆบอๆนี่แต่ว่ากลา้าหลงทำไปก็จะบา้านะนี่ถ้าหลงทำไปก็จะบา้าแก้ไม่หายนี่บอกว่าไอ้ทำเห็นสวรรค์เห็นนรกมันจะบา้านะถ้าบา้าแล้วมันแก้ไม่หายเขาว่าอย่างนั้น ไอ้พระไดย้มดยมระยมแบบนี้มันทําให้ฉันไม่ไหวพระใช่เกลียดไอ้พวกบ้ารวยไอ้พวกบ้ายศไอ้พวกบ้าเสนเสรนไอ้พวกบ้าสวยถ้าเป็นพระมันต้องละได้เป็นพระเขาสอนให้ละดันเสื่อมมาเกาะแล้วเกาะเลวเสื่อมันจะเกาะดีเมื่อเลวเมื่ออีกเขากับเราจะว่าเลวเท่ากันมันก็ไม่ได้ แล้วเท่ากันนะก็แถมมันดีแถมฉันดีกว่าที่เห็นหลวงพ่อองยิ้มอะเป็นนะว่าเขาก็เราโยเบลเร็วเท่ากันมันก็ไม่ได้นะก็ไอตานั่งเกินเร็วกว่าเราตอนนั้นแะรู้สิว่าเราก็ยังเร็วเห็นหลวงพ่อยิ้มได้ไปนรกก็ได้ไปหาท่านลุงก็ได้อยากจะเห็นอยากจะรู้เรื่องนรกตรงไหนก็ได้เมื่อคน เมื่อคนสอนมีความสามารถไม่เท่าฉันไมายถึงพระี่มาเทศแล้วก็เขาก็เร็วกว่าฉันเอาผ้ากาสาวพัดมาคล้องบางท่านก็ลงเวจีไปแล้วฉันจะไหว้จะกะรบให้เสียศักดิ์ศรีเพือ่อประโยชน์อะไรตาลสีนยหาทำอาหาทําไมตตำแหน่งเจ้าคุณน่ะ หมายความว่าในตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเจ้าคุณมันลงอเวจีไปแล้วเอามาทําไมใครเป็นเจ้าคุณดีไม่ดีมันลงตางมันเจ้าแถวก็ได้ตอนนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะบ้าในยศแต่ว่าเวลานี้ที่ตันดีมียอะนะอย่าลืมไปนะที่เจ้าคุณดีอย่าเดือดร้อนแต่ว่าเจ้าคุณเร็วจนเดลื่อลล้อยไปตามมัธยาสัยเจ้าคุณเขาไม่เร็วแต่คนที่เป็นเจ้าคุณมันเร็ว ที่ว่าท่านดีมีทังไปทีด่ดีจริงๆทําทำไมอาดีจริงๆทําไมไม่กันนรกก็ได้ดีพูดเจ้าคุณ อ, อนั้นเนะ่ะเจ้าคุณที่ตายไปก่อนถ้าเจ้าคุณดีเจ้าคุณมันต้องไม่ลงนรกสิน่เสือกลงอเวจีไปได้แล้วก็เป็นอะไรก็ลงนร ก, อ ย, ยน ก, รกอยทธามรณาสักก็จยาเป็นเพื่อหอกเพื่อตะวักตะบวยอะไร เพราะฉันไม่สังคมกับพระที่มีถูกใจฉันฉันก็เลยไม่เคยรู้ภาษาพระนี่เป็นโทษอันหนึ่งเมื่ออ่านวิสุทธิมรรคเข้าก็ชวนให้นอนหลับเสมอเสมอกว่าจะเข้าใจภาษาในวิสุทธิมรรคก็เลยเงินหลายวันผ่านไปประมาณสิบวันพอจะเริ่มรู้ภาษากันบ้างเพราะว่าเวลานั้นใครกานผู้ใหญ่มักจะมาจากพระท่านสอนให้ท่านผู้ใหญ่ บอกให้บ้างไปหาพระที่พอน่าจะไหวบางแล้วก็บอกท่านว่าพระสวะสวะพระจันไรฉันไม่ขอพึ่งบารมีดีไม่ดีก็จะเสียดแนะนําผิดเว้นไม่แต่หลงพ่อปานแล้วก็มีพระบางท่านที่น่าเคารพก็มีอยู่ไปหาท่านไปหาท่านวันนี้ก็ปลารบพระโพนันต์ฟังเทีย่ยบักขาดไอสัตว์นระกพวกนั้น น, นอะไรแกจะไปไหวมาเลย ฉันรู้ลีลาเขามันดีแต่นี่ปัญญตากิเลสมัก็เพราะกิเลสมันว่าไปนี่จะจบยังไม่อยากจะไหว้พระอื่นนอกจากว่าพระหลวงพ่อปานแล้วองค์บางองค์ที่ท่านดีนะไอเรื่องของกิเลสตัณหาอย่างนี้แหละแถมพระท่านก็เป็นท่ายของกิเลสตัณหาสิด้วยก็เลยหมดที่พึงเป็นอันว่าวันนี้ก็ขอจบเป็นแค่นี้รีบเชิญกลับตายมา ไปจูบพระ ส, ะสบาย ส, สบายแต่พระไม่ได้จูบจกเฮียพระแปลว่าประเสริฐไม่เป็นไรท่านดีไอคนที่ไม่ดีมันไม่ใช่พระจะหาว่าเฮียก็ไม่ได้เฮียดีไม่ทําบาปไอเฮียเนี่ยไม่กินสัตว์เป็นกินสัตว์ตายเฮียเคยด่าพระเทวทัตพระเทวทัตเคยห่มผ้ากาสาวพัตตยาจะกินเฮีย อยากจะข้ายเฮี้ยเฮี้ยเลยด่าว่าท่านห่มผ้ากาสาวพัดเหมือนกัโทนชัยของพอาาระรห a r m a แต่ว่าจิตใจของท่านเร็วกว่าเราซึ่งเป็นเฮี้ยอีกเราเป็นเฮี้ยก็จริงแหละแต่ว่าไม่ไม่คมเหงื่อเไม่กินสัตว์เป็นนี่จำไนะ ว, ว้นะพวกบรรดากาสาวพัดที่มีจริยาแบบพระเทวทัติจดจําไว้ด้วยช่วยช่วยกันจําอาละท่าที่ท่านดีจะเดือดร้อนนะ ท่านที่ดีจงอย่าเดือดร้อนใครเดือดร้อนนั่นคืออรัชชีผู้ทำลายชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์โบยชนชาวไทยวันนี้ขอลาก่อนบรรดาท่านพอดีทั้งหลายและญาติโยมผูทั้งหลายผู้รับฟังขอความสุขสวัสดิพิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี